นั่งตัวตรงเมื่อเช้าได้บอกว่าถ้าเรานั่งตัวตรงจะทำให้ลมหายใจเรายาวได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ต่อจากสภาวะเมื่อเช้าได้ น้อนั่งปั๊บรู้ลมหายใจยาวแล้วหลีดลมหายใจออกมารู้ลมหายใจสั้นตามปกติก็อยู่กับลมหายใจสั้นนั้นรู้ไปรู้ไปก่อน ลมหายใจที่มันเคลื่อนออกเคลื่อนเข้านั่นแหละก็เรียกว่ารูปความระลึกรู้ต่อลมหายใจที่ปรากฏนั่นคือสติตัวรู้นั่นนะคือจิต ตัวที่ยกขึ้นมาเพื่อการระลึกรู้ลมหายใจนั่นนะคือกำหนดแต่เราพิจารณาตรวจดูเราก็จะเห็นลมหายใจเห็นตัวระลึก เห็นการรู้เห็นการกำหนดตรวจลมหายใจดูก็เห็นว่าเป็นรูปดูการระลึกก็คือสติระลึกตรงไปทูลมหายใจ ลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าในขณะในขณะนั้นเป็นปัจจุบันจิตที่ระลึกลงไปสู่ลมหายใจในขณะนั้นนั้นมันเป็นปัจจุบันธรรมอันนี้เรียกว่าปัจจุบันแท้จิตที่รู้ก็จะเป็นการรู้ที่บริสุทธิ์ณขณะนั้นจะไม่มีตัณหามานะทิฏฐิอยู่มุ่งตรงต่อลมหายใจ รู้ซื้อเข้าไปสู่ลมหายใจไม่มีอะไรกัน้นยกขึ้นมาระลึกลงสู่ลมหายใจออกก็รู้เข้าก็รู้อยู่อย่างนั้นแล้จัดการทำลมหายใจของตนให้ยาว ระลึกตัวเดิมรู้ตัวเดิมกำหนดตัวเดิมลมหายใจตัวเดิมเพียงแค่ทําให้เขายาวขึ้นรู้ก็จะมีระยะยาวขึ้นตัวระลึกก็จะมีระยะยาวขึ้นการที่จะทําให้เขายาวได้เราต้องนั่งตรวจตรงและลดความแรงของลมลงมาลดจํานวนของลมลงมาลดเนื้อลมลงมาอยู่ในกลางกลางแล้วก็ผ่อน ก็ค่อยผ่อนไปตั้งแต่ต้นลมกลางล ม, ลมปลายลมสุดลมหายใจทำแค่ลมหายใจเท่านั้นไม่ต้องไปแกลงส่วนอื่นทำแค่ลมหายใจให้เขาผ่อนเบากลาง ยาวแล้วก็รังระลึกลงเข้าไปสู่ลมหายใจนั้นรู้ลมหายใจนั้นตามความที่ปรากฏคือเป็นลมยาวทั้งออกทั้งเข้า จิตมีลมยาวอยู่กับลมยาวได้มีลมยาวเป็นที่อยู่ของจิตก็โน้มจิตเข้าไปถห้มัมีการโน้มเข้าไปเพื่อที่จะรู้ต่อลมหายใจที่ยาวทั้งขาออกทั้งลมหายใจออกยาวทั้งลมหายใจเข้ายาวให้จิตนั้นโน้มไปอาการที่จิตโน้มไปนั่นหมายความว่ากายมันจะนิ่งจิตรู้ในส่วนของกายที่ตั้งนั่งอยู่ แต่จิตโน้มเข้าไปเพื่อที่จะรู้ลมหายใจโน้มเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจที่ไหลออกยาวโน้มเข้าไปเพื่อที่จะรู้ลมหายใจไหลออกยาวไหลเข้ายาวอาการที่จิตโน้มเข้าไปนี่แหละเรียกว่าฉันทะถ้าน้มเข้าไปเรียกว่าก่อฉันทะเมื่อฉันทะเกิดที่จิตได้ จิตจะไม่พวงกายจะมีทันฉันทะก็คือโน้มก็ไปเพื่อรู้ลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าทันทีพอโน้มเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจไหลออกไหลเข้าด้วยการที่มันโน้มเข้าไปเนี่ยเราก็ทําลมหายใจให้ละเอียดลงไป ทำลมหายใจให้ละเอียดลงไปจิต ท, ที่รู้ลมหายใจออกหรือข้าวก็จะละเอียดลงไปด้วยทำลมหายใจยาวนั้นให้ละเอียดลงไปทำลมหายใจยาวให้ละเอียดลงไปสบายสบายไม่อึดอัด มันลมละเอียดจนกระทั่งลมละเอียดมากมันก็จะมีการเว้นวักมีลมหยุดช่วงระหว่างที่ลมมันหยุดจิตก็จะถอยออกมาจากลมเพื่อที่จะรู้ลมแต่ไม่ได้กำหนดลมหายใจ มันก็เกิดความร่าเริงขึ้นของจิตมันมีความแช่มชื่นของจิตเมื่อลมหายใจเคลื่อนจิตก็รู้ว่าลมหายใจออกจิตก็รู้ว่าลมหายใจเข้าพอลมหายใจหยุดจิตมันก็รู้ว่าลมหายใจหยุดจิตไม่ไปบีบคั้นไม่ไปบีบคั้นลมหายใจ ในขณะที่ลมหายใจหยุดจิตไม่ปรากฏว่าไปบีบคั้นหรือรอลมหายใจเข้าในจะหาดในขณะที่จิตร <ition ing. S 2> ู้ลมหายใจเข้าก็ไม่ไปบีบคั้นหรือรอลมหายใจออกไม่มีความสงสัยว่าลมที่จะหายใจออกนั้นไปไหนลมหายใจเข้านั้นเข้าไปไหนจิตหยุดไม่มีความสงสัยส่วนนั้นแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกที่ปรากฏ รู้ลมหายใจไหลเข้าที่ปรากฏต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวเจตนา ที่ตั้งใจจะรู้ลมหายใจออกตัวเจตนาที่ตั้งใจจะรู้ลมหายใจเข้าก็หยุดไปจิตมันแค่รู้ลมหายใจออกจิตมันแค่รู้ลมหายใจเข้า แม้เขาไปรู้เรื่องอื่นๆของกายเขาแค่ก็แค่รู้สิ่งที่รู้นั้นเป็นแค่กิริยาที่ปรากฏ ถ้าจิตเกาะกับลมอยู่ก็รู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ถ้าจิตไม่เกาะกับลมแล้วมามีสติตั้งมั่นอยู่มีอุเบกขาปรากฏแค่รู้ลมที่หายใจออกแค่รู้ลมที่หายใจเข้าเราก็เดินต่อ ดูเจตนาเจตนาที่ตั้งใจจะรู้ลมไหลออกเจตนาที่ตั้งใจจะรู้ลมไหลเข้ามันดับไปถ้าเจตนาดับจิตก็นิ่งอยู่ เมื่อมีลมออกจิตรู้เมื่อมีลมเข้าจิตรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อน เมื่อลมหายใจไหลออกเบาๆบางๆจิตที่อย่างระลึกเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจไหลออกเบาๆบางๆนั้นมันจะเกิดความเช่มชื่นในขณะที่ไหลออกพอลมหายใจไหลออกสุดลมมันจะหยุดจิตเกิดความสหบบขึ้นมาไม่รอลมหายใจไหลเข้า ไม่มีเจตนาที่จะตั้งใจไหลเข้าตั้งใจเพื่อที่จะทำลมหายใจไหลเข้านิ่งอยู่กับความสงบอันเนื่องจากลมมันหยุดเมื่อลมหายใจเข้าเกิดขึ้นจิตกร็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าที่ปรากฏต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจเบาๆบางๆละเอียด พอลมหายใจสุดลมหายใจหยุดจิตเกิดความสงบอยู่กับความหยุดลมหายใจที่มันนิ่งอยู่พอลมหายใจออกจิตรู้ลมหายใจที่ไหลออกพร้อมกับความแช่มชื่นที่ปรากฏและจิตก็อยู่กับอุเบกขาเป็นอารมณ์ของจิตมีความเช่มชื้นอยู่ อยรู้ลมหายใจที่ไหลออกตามธรรมชาติอยรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าตามธรรมชาติรูปรส ภ, ภาวะที่ลมมันหยุดตามธรรมชาติมีอุเบกขาอยู่ทรงตัวอยู่ไม่มีเจตนาไม่เอาสัญญาไม่หน่งไปในใดๆ ไม่ทวินหาสภาวะที่เคยเกิดไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนอยากได้ไม่มีสัญญาใดๆปรากฏถ้าปรากฏขึ้นมาก็แค่รู้ว่ามีสัญญาเกิดขึ้นดูจนสัญญานั้นดับไปไม่ให้สัญญามีอำนาจมีผลต่อจิตณนะขณะนั้นอยู่กับอุเบกขา แล้วก็รู้ลมหายใจไหลออกเมื่อเกิดขึ้นรู้ลมหายใจไหลเข้าเมื่อเกิดขึ้น จิตไปรู้กายปวดแต่ปวดที่กายปวดมันมีกำลังน้อยก็ปล่อยวางไว้แค่รู้แล้วก็ปล่อยวางไว้ เมื่อลมหายใจเกิดก็รู้ลมหายใจ ความปีติปราโมทมันก็หายไปด้วยมันก็คงเหลือแต่อุเบกขากับจิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าเป็นอย่างเป็นธรรมชาติกับอุเบกขาที่ปรากฏ วิตกก็หายไปความกำหนดก็หายไปจิตทรงตัวนิ่งอยู่กับอุเบกขาที่ปรากฏ เกิดเป็นสีเป็นแสงก็แค่รู้ว่ามันเป็นสีเป็นแสงก็แค่รู้ว่าสิ่งนั้นปรากฏสิ่งนั้นปรากฏสิ่งนั้นปรากฏพอมันหายไปก็แค่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปสิ่งนั้นดับไปสิ่งนั้นดับไปถจิตก็อยู่กับอุเบกขามีอุเบกขาเป็นอารมณ์ของจิตเมื่อลมหายใจออกโดยธรรมชาติก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกเมื่อลมหายใจเข้าเป็นธรรมชาติก็รู้ลมหายใจเข้า ให้เรียนรู้ก็จิตที่รู้อยู่กับอุเบกขาที่ปรากฏนิ่งอยู่ที่เขาคอยรู้เ้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกเป็นธรรมชาติรู้ลมหายใจเข้าเป็นธรรมชาติในสภาวะอันใดที่ปรากฏที่ละเอียดก็แค่รู้ว่าปรากฏพอหายไปก็แค่รู้ว่าหายไป ไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปแช่อยู่กับสภาวะใดๆแค่รู้แค่รู้แค่รู้ตามความเป็นจริงที่ปรากฏเมื่อลมหายใจมาก็รู้ลมหายใจที่เป็นธรรมชาติเมื่อลมหายใจเข้าปรากฏก็รู้ลมหายใจเข้าเป็นธรรมชาติเมื่อจังหวะลมหายใจหยุดไม่มีการเคลื่อนไหวของลมหายใจ ก็อยู่มีอุเบกขาเป็นอารมณ์เมื่อสภาวะอันอื่นได้ปรากฏก็รู้ในสภาวะอันนั้นที่ปรากฏแค่สิ่งที่ปรากฏเมื่อเขาหายไปก็รู้ว่ามันหายไปให้ใช้ความรู้ใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่อย่างนี้ศึกษาโดยตนเองอย่างนี้ก็จะเข้าใจอย่างประจักษ์ในเรื่องของการเกิดและการดับของสภาวะ ต่อจากนี้ให้จิตมารู้กายกายทั้งกายที่นั่งอุบิกขาอยังอยู่จิตรู้กายทั้งกายที่นั่งตั้งแต่เบื้องหน้าลงไปที่ลําตัวรวมทั้งในอิริยาบถ ท, ที่นั่งเมื่อรู้อย่างนี้แล้วให้พวกเราประดมมือขึ้นมา <c oughs> ประดมมือขึ้นมาและก็น้อมใจนะให้ทรงอยู่กับอุเบกขาคอยควังและระลึกตามเราจะทำการทำเบตาภาวนาระลึกถึงบุญกุศลทั้งหมดที่เราได้ทำวันนี้ตั้งแต่ว่ายพระรับศีล ความทำในตอนเช้านั่งสมาธิในตอนเช้าอนุบทานาอาหารทานและความทำในตอนบ่ายนั่งสมาธิภาวนาในตอนบ่ายรวมทั้งหมดตั้งชิ้นให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แห่งความเบตตาตั้งอยู่ที่ใจของเรา ให้พลังอนี้มันสว่างและน้อมให้พลังเหล่านี้มหากุศลเหล่านี้แผ่ออกไปจากใจของเราน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณของเราออกไปตั้งแต่พ่อแม่ ปยาตายายญาติพี่น้องวงศ์สาคณะญาติทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ละโลกนี้ไปแล้วไม่ว่าอยู่ในภพใดภูมิใดให้ได้รับบุญกุศล น, นี้แล้วก็น้อมจิตกลับมา ให้ส่งอยู่กับอุเบขาเราระลึกถึงผู้มีพระคุณอื่นๆมีครูบาอาจารย์เพื่อนผู้เคยร่วมงานผู้มีอุปการะต่อเราในด้านต่างๆครูบาอาจารย์ตั้งแต่เราเรียนอนุบาลเล็กๆจนกระทั่งเราโตคนผู้มีความเมตตาสั่งสอนเราในด้านต่างๆ คนที่เขาให้โอกาสกับเราที่เรามีวันนี้มีชีวิตนั่งอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าอย่างนี้น้อมบุญเหล่านี้แหละให้กระจายแผ่ออกไปจากใจของเรามุ่งเข้าไปสู่ท่านเหล่านั้นทั้งที่มีชีวิตอยู่และละโลกมีไปแล้วที่มีชีวิตอยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความปรารถนาที่ชอบทำก็ขอให้สมสำเร็จตามความปรารถนาและขอให้ใกลชิดพระรัตนตรัยมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อรมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ดำรงตนอยู่ในเส้นทางที่เป็นสัมมาสัมมายาน น้อมจิตกลับมาสู่ลมหายใจส่งตัวอยู่กับอุเบกขาและกระทําในใจให้พลังบุญพลังกุศลเหล่านี้แผ่กระจายออกไปจากใจของเรากระจายเหมือนกับคลื่นที่กระจายออกไปไม่มีขอบไม่มีประมาณขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอากาศนี่ก็ดีสัตว์ในกาเดิดทั้งสี่ตั้งเกิดในคันเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าใครเกิดผุดขึ้นนั่นคือโอปติกก์กำเดิดทั้งขณะนี้ที่กำลังได้รับทุกขเวทนาอยู่จากผลกรรมของตนเองก็ดีจากสิ่งต่างๆก็ดี หรืออยู่ในภพชาติที่กำลังบากลำบากเดือดร้อนอยู่ก็ดีหรือแม้ที่กำลังสวอยสุขกัวิบากอยู่ในสุคติภพทุกชั้นก็ดีขอบุญของเราทั้งหลายเหล่านี้จงแผ่กระจายออกไปสาเร็จแก่ท่านเหล่านั้นอยู่ในกำเนิดทั้งสี่นั้นผู้ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกผู้ใดที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป แด้ขอให้ทุกทุกท่านได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้พบกับพระพุทธศาสนาใกล้ชิดประรัตนต์ใจมีความศรัทธาเลื่อมใสกับสมิด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าถึงกระแสของพระนิพพานในภพที่ตนเกิดนั้นนั้นน้อมจิตกลับมาสู่ลมหายใจทรงตัวอยู่กับอุเบกานิ่ง แล้วมือลงเลยอ่าสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีดูสิอุเบกขาของเราจะเลี้ยงอยู่ได้แค่ไหนอืมฉันเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ สำหรับวันนี้ก็พอทุมปรวนแก่เวลาอขอทุกๆคนตรงพร้อ ม, อมให้ถึงพร้อม้วยพรสีประการคืออายุวันนะสุ ข, ขะอีกทั้งปฏิพันธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติประสงค์จำดงหมายสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำริจจงสำริจทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน ยทถาวาริวหาปูราปิูริปุเรนติสาครังเหวะเบวะอิโตทินนังเบตานังกุปกะปติอิจิตังปัติตังตุมหังคิปะเบวะสมิะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยทถามานิโชติระโสยทถาอภิวาทนาสิริสะ นิจังอุทาปยายิโดจตาารุธรมาวันติอายุวันโดสุ ข, ขังพระลัง